สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2องข้อสิได้กล่าวว่าอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะทําความชั่วแต่จงดําเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าความหมายสองประการนั้นก็คือว่าอย่าใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างคําว่าข้ออ้างนั้นก็มีความหมายว่าเราไม่ควรเอาเสรีภาพมาเป็นเสื้อคลุม มาเป็นฉากบางหน้ามาเป็นหน้ากากแต่ภายในชีวิตของเรานั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวความชั่วร้ายและความหญิงยโสเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและความหมายประการที่2ก็คือเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าคำว่าผู้รับใช้หมายความว่าอย่างไงพี่น้องครับในชาวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าผู้รับใช้หมายความว่าอย่างไง พระเานะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ18และข้อ2 2นั้นทำให้เราเห็นว่าเมื่อเราเอาคำว่าทาตของความชอบธรรมและทาตของบาปมาเปรียบเทียบกันโดยพราชนะต่อไปนี้โปรดฟังพราชนะของพระเจ้าเมื่อท่านพ้นจากบาปท่านก็ได้เป็นทาตของความชอบธรรมเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาตของบาปและกลับมาเป็นทาตของพระเจ้า พีน่นะครับเราเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคำว่าเป็นทาสของพระเจ้าก็คือคำว่าเป็นทาสของความชอบธรรมนั่นเองและการเป็นทาสของความชอบธรรมนั้นก็คือการที่เราจะมีชีวิตที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของความชอบธรรมหรือเรียกว่าผ้าชนะของความชอบธรรมนั่นเองโรงหมดที่6ก3ได้กล่าวว่าเมื่อเราเป็นภาชนะของความชอบธรรมผลที่ได้ก็คือเพื่อใหถึงการชาระใหบริสุทธิ์ พี่น้องครับอาจารย์เปาโลท่านกล่าวอย่างชัดเจนครับว่าการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นชีวิตของเขานั้นต้องบริสุทธิ์ต้องพ้นจากบาปรับเสรีภาพที่แท้จริงพี่น้องครับการที่เราจะมีเสรีภาพที่แท้จริงนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานั้นต้องดําเนินตามหลักการของความถูกต้องชอบธรรมครับเราจึงจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้เราจึงจะเกิดผลที่บริสุทธิ์ เนื่องจากว่าพระเจ้าของเราเที่ยงธรรมครับดังนั้นผู้ที่ปฎิบัติรับใช้พระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นก็ต้องเป็นคนที่เที่ยงธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้าทรงใช้ความเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงใช้ความรักพระเจ้าทรงใช้ความจริงมาเพื่อที่จะกำหนดเป็นขอบเขตให้ชีวิตของเรานั้นได้ถูกจากัดและการถูกจากัดแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด ดูเหมือนว่าจะขาดอิสรภาพแต่จริงๆมีอิสรภาพครับแต่น่าเสียดายมนุษย์เข้าใจผิดถึงความหมายของเสรภาพก็พยายามดิ้นให้หลุดจากการถูกจํากัดแบบนี้เหมือนกับการกระทําของชนชาติอิสราเอลครับพระเจ้าพยาเวต์ตรว่าเชือกของข้าพเจ้าก็ขาดสิ้นลูกๆของข้าพเจ้าก็ขาดจากข้าพเจ้าไปหมดไม่มีเขาอีกแล้วพื่อนครับนี่คือเสียงจากพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่1 0บข้อยี เชือกของข้าพเจ้าก็ขาดสิ้นลูกๆของข้าพเจ้าก็จากข้าพเจ้าไปหมดและไม่มีเขาอีกแล้วเราเห็นชัดครับว่าชนชาติอิสราเอลนั้นไม่ชอบเชือกผูกของพระเจ้าเขาดิ้นให้ขาดจากพระเจ้าไปแสวงหาเสรีภาพจอมปลอมนี่เป็นการกระทำที่โง่เขลาครับเพราะเชือกของพระเจ้านั้นเป็นเชือกแห่งพระคุณและความรัก เชือกของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นเชือกแห่งพระคุณความรักการให้อภัยพระองค์ให้ขอบเขตจำกัดแก่มนุษย์เป็นเพราะมาจากความรักของพระองค์นั่นเองเป้าหมายของพระเจ้าก็คือพระองค์ต้องการปรารถนาให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดเหมือนกับคุณแม่ที่ทำงานอยู่ท่านเอาเชือกผูกลูกน้อยไว้เชือกข้างหนึ่งผูกติดลูกอีกข้างหนึ่งผูกติดกับเอวของแม่ ถ้าหากเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องคุณแม่ก็เบาใจก็ไว้ใจให้ลูกคลานอยู่บนพื้นห้องได้อย่างอิสระไม่ประสบอันตรายการจำกัดของเชือกเส้นนี้มีความสำคัญครับเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกเกิดอันตรายพี่น้องครับชีวิตของเราก็เหมือนกันหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหลายคนบอกว่าทำนูน่นทำนี่ก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้น และยิ่งลึกไปกว่านั้นคือจิตใจต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดคิดแบบที่คนอื่นคิดไม่ได้พูดแบบที่คนอื่นพูดไม่ได้ทาแบบที่คนอื่นทาไม่ได้พี่น้องครับดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียนนั้นไม่มีเสรีภาพแต่ผมจะเรียนให้ทราบครับหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้พี่น้องเรามีความรู้และเรามั่นใจได้ครับว่าการที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเรามีเสรีภาพที่แท้จริง แต่กลับกลายเป็นว่าโลกนี้ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงพี่น้องครับถ้าไม่ใช่เป็นทาตของความชั่วร้ายเราก็จะต้องเป็นทาตขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับหากเราไม่สยบต่อสัจธรรมความจริงเราก็เป็นคนที่ปฏิเสธความจริงและยังดําเนินชีวิตดํารงอยู่ในความชั่วร้ายอยู่ในทางของโลกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของมันซาตานพี่น้องครับการเป็นเสรีภาพที่แท้จริงนั้นเราเอง จะต้องรู้บทบาทของผู้รับใช้พระเจ้าว่าเราเองทุกคนนั้นเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้จะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราเองจะต้องรู้ว่าศัจธรรมที่เรามีอยู่นั้นอยู่ในขอบเขตความจากัดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเนื่องจากความรักของพระองค์ครับเนื่องจากพระเมตตาพระคุณของพระองค์ที่มีอยู่เหนือชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกทุกวันพีนีครับเราจะไปที่ สาเหตุของเสรีภาพประการต่อไปครับคือประการที่สพระวิญญาณประทานชีวิตใหม่พระวิญญาณประทานเสรีภาพให้กับเราพระธสองโครินธ์บทที่3าข้อได้กล่าวว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น 2โคโรนบทที่3ามข้อสพี่น้องครับพระวิญญาณประทานชีวิตใหม่และในชีวิตใหม่นั้นพระวิญญาณประทานเสรีภาพครับพ่ะองพี่ย้ำเน้นครับว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นหลายครั้งทีเดียวนะครับคนบางคนนั้นชอบหมกมุ่นอยู่กับถ้อยคําของบทบัญญัติในที่สุดก็กลายเป็นข้อจํากัดที่ไม่จําเป็นและกระทบถูกเสรีภาพ และลากคนคนนั้นเข้าไปอยู่ในลัทธิกระบวนการแต่อาจารย์เปโลนั้นได้ชี้เห็นถึงจุดอันตรายท่านกล่าวว่าประมวลกฎบัญญัติทั้งหลายนั้นประหารให้ตายหรือตัวหนังสือหรือถ้อยคํานั้นประหารให้ตายแต่พระวิ ญ, ญญาณประทานชีวิตพระวิ ญ, ญญาณทรงนําคนสู่สาระแห่งความหมายช่วยให้คนทั้งหลายเข้าใจสัจธรรมความจริงของพระเจ้าช่วยให้คนทั้งหลายหลุดจากการ ผูกมัดของตัวหนังสือตัวบทกฎหมายเข้าสู่อาณาเขตแห่งเสรีภาพที่แท้จริงด้วยความสดชื่นด้วยความกระปรี้กระเป๋าและด้วยความชื่นชมในพระสิริของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ลูกชายลูกหญิงลูกสาวของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่ 8: ปดข้อยีได้กล่าวว่าด้วยมีความหวังใจเราจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลาย ของพระเจ้าพี่น้องครับจากพระเจนักของพระเจ้าสองตอนนี้ก็คือพระวิญญาณของพระองค์อยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นและเรามีความหวังใจว่าจะเข้าในเรีภาพและศักิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและการที่เราบังเกิดใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรารับพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหน เสรีภาพมีอยู่ที่นั่นและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ตัวใครคนคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับพระวิญญาณทําให้คนบังเกิดใหม่โปร่งประธานชีวิตของพระเยซูในชีวิตของเราชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีเสรีภาพครับพี่น้องครับเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระเสรีเป็นเหมือนกับผีเสื้อที่หลุดออกมาจากดักแด้บินสู่ท้องฟ้า ด้วยอิสรภาพด้วยเสรีภาพด้วยความเป็นไทยที่แท้จริงชีวิตของเราก็เหมือนกับผีเสื้อนะครับขณะที่เราได้บังเกิดใหม่เราถูกทランスฟอร์มไม่ว่าเราถูกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากดักแด้ที่เหมือนกับเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแต่เมื่อเราถูกทランスฟอร์มเรากลายเป็นผีเสื้อที่โบยบินไปได้ทุกหนทุกแห่งพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับ พระวิญญาณประทานชีวิตใหม่ให้กับเราเป็นชีวิตแห่งเสรีภาพที่แท้จริงพระคัมภีร์บอกว่าตัวตนของมนุษย์นั้นดิง่งดำดิง่งลงสู่ที่ต่ำถูกบาปผูกมัดไม่มีเสรีภาพในการทําดีเปาโลได้กล่าวไว้ครับคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดเพราะว่าเจตานาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งการกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดเลยเพราะว่าเจตนาดีที่ข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งการกระทําดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่พี่น้องครับท่านอาจารย์เปาโลนั้นเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่7จ็ข้อสิเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ครับว่าชีวิตของคริสเตียนเรานั้นก่อนจะเป็นคริสเตียนเราต้องการการบังเกิดใหม่ครับก่อนจะเป็นคริสเตียนเราจะต้องรับชีวิตใหม่ ของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเราจะมีความสุขอยู่บนเสรีภาพที่แท้จริงได้กระบวนการของการบังเกิดใหม่นั้นเป็นการกระทําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับเมื่อมีชีวิตที่มีเสรีภาพแล้วเราจึงจะรับความสุขในลักษณะชีวิตที่มีเสรีภาพครับการดําเนินชีวิตที่มีเสรีภาพก็เปรียบเสมือนกับตัวลูกอสที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นแมลงปอเนี่ยครับหรือตัวลูกอสจะเปลี่ยนไปเป็นกบ เป็นเขียดพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ใช้คําว่า transform เหมือนดักแด้กลายเป็นผีเสือ้อลูกออดจะเปลี่ยนเป็นกบหรือตัวอ่อนของแมลงปออยู่ในน้ํามันจะเปลี่ยนเป็นแมลงปอและบินอยู่เหนือน้ําได้และขึ้นสู่ท้องฟ้าพี่น้องครับในชีวิตของเราเราเองนั้นจะต้องรับการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงครับหลายๆท่านหลายหลายคนนั้นเป็นลูกหลานคริสเตียนแต่ อาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ก็คือการที่เรากลับสู่เบสิกครับในการที่เราจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนบาปและสำนึกกลับเนื้อกลับตัวกลับใจใหม่ทูลขอการไถ่โทษจากพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดโดยการอธิษฐานอัญเชิญพระองค์เข้ามาและสุดท้ายครับตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไป นั่นคือกระบวนการการบังเกิดใหม่ใครก็ตามที่ต้องการการบังเกิดใหม่ไม่ว่าเราจะเป็นลูกหลานคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนมาก่อนเราจะต้องผ่านกระบวนการนี้ทุกทุกคนแล้วหลังจากนั้นชีวิตของเราก็จะมีเส ร, รีภาพครับเป็นเส ร, รีภาพที่แท้จริงด้วยการบังเกิดใหม่ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเองนั้นสามารถที่จะเลือกไม่ทาบาปได้เรามีอิสระที่จะทาสิ่งที่ พระเจ้ากำหนดไว้ในขอบเขตของพระองค์ด้วยเต็มที่ด้วยการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์และด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงพระคุณให้กับเราทั้งหลายทุกทุกวันเมื่อเราต้องการอาเมน